ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาเมตรยัยศรีปธุมในวันนี้คงพูดเรื่องสมาธิธิสูตรในตอนที่ว่าโดยอันตะกาถาต่อไปกระแนวของพระสูตรช่วงนี้จะมีการอธิบายแยกประเด็นเป็นชุดๆแต่ท่านผู้ฟังที่เคยอ่านมหาสติปัฏฐานสูตร ก็จะเห็นว่ามีหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยแต่ละข้อเรียงกันไปเป็นแถวกว่าจะจบแต่ละสูตรก็ยาวโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคืออัตถกถาเนี่ยท่านจะอธิบายละเอียดมากแต่ในที่นี้ก็คงจะไม่เน้นขนาดนั้นแต่ก็มีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจในะครับว่าทุกขสัต ความจริงคือทุกข์กรรมทุกข์นั้นแปลว่าทนได้ยากหรือทนไม่ได้ท่านแสดงลักษณะของความทุกข์เอาไว้ว่ากำเนิดเกิดขึ้นจากจปัจจัยปุงแต่งแต่นั้นเราจะเห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เจลาความแก่เป็นทุกข์วานาความตายเป็นทุกข์ตลอดถึงพวกปกิ่งนะกทุกข์ต่างๆอีกเป็นนั้นมาก แต่อย่งางก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เขาเรียกว่าเป็นรัวสภาวธรรมคือหน่วยย่อยที่สุดมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดมาแล้วไม่สามารถจะรักษาสถานะเดิมไปได้ ก็จะมีอาการเลื่อนไหลคือไปคงชีเราจรึงคุ้นกับคําว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นใช้ตัวใช้ตนสิ่งใดใช้ตัวใช้ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราเพราะเราเห็นว่ากรอบกับไม่เที่ยงกับทุกเนี่ยมันเป็นปัจจัยของกันอะไกัน แต่ว่าอันตานัตตาบางอย่างเนี่ยมันเชี่ยงแล้วก็เป็นสุขก็ขนอกจากนั้นก็คือเชื่อมโยงกันอยู่ได้ประการที่สามก็คือมีการแผดเผาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตรงเนี้ยส่วนมากที่เราพูดเราทุกข์กระทุกข์กันตรงเนี้ย คือที่จริงมันเป็นทุกขเวทนาพอเป็นทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกของเราเราจะว่าสุข ก, ก็สุขว่ะทุกข์ก็ทุกข์ก็แล้วแต่มันเกิดจากอาการที่จิตไปยึดมั่นถือมันเอาไว้กืะเราเจตว่าที่รักชังเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์แลรักชังเนี่ยนำไปสู่สุขทุกข ผมก็เป็นลีลาอารมณ์ก็เลยแต่คิดเราชอบเราก็เป็นสุขเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ตะนเดี๋ยเราพูดมากนี่ยคือยินดียินร้ายพระเจ้าชงส่งส่งใช้ก็ไมายินดียินร้ายนี่บ่อยผม น, นี้พอพอแปดป่ากวก็กเกิดความเล่าร้อนด้วยประการต่างๆทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแต่สรุปแล้วก็คือทนได้ยาก อย่างยกตัวอย่างเช่นอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยคือถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนนพรานั่งนานก็ไม่ไหวนอนนานก็ไม่ไหวยืนนานก็ไม่ไหวเดินนานก็ไม่ไหวมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงทุกขลักษณะคือลักษณะของความทุกข์แต่ในตรงเนี้ยท่านๆมาอธิบายมาแยกอธิบาย ก็ตั้งแต่ความเกิดความเกิดนั้นหมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้งสี่คือตามปกติแล้วเราจะมักได้ยินในเรื่องบางเรื่องคือท่านบางท่านเนี่ยอธิบายความเกิดในลักษณะเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นก็เรียกว่าความเกิด มื่เกิดวันก็เป็นแสนแสนครั้งเลยแต่ความเกิดที่ทรงสร้างทรงใช้คำว่าชาติเนี่ยที่แปลว่าความเกิดยมาถึงการเกิดในกําเนิดทั้งสี่ทรงอธิบายไว้เลยยายาติสัญชาติขันธานังปาตุภาโวอายตนาณังปฏิลาภวยังอุจติพุกเวชาติคือจะทรงนิยามพระพุทธเจ้าจะทรงนิยาไมไว้ให้ เพราะอะไเพราะว่าคําเหล่านี้มันมันเป็นคําที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะสัสรูพตอนเมื่อพระเจ้านําคำเหล่านี้มาใช้มันก็ต้องนิยาในกรอบของพระองค์ว่าของพระองค์ก็หมายความอย่างเงี้ยมันก็กลายกลกันนิพพานเนี่ยคือที่จริงแล้วนิพพานเนี่ยหมายความไฟดับเช่นไฟลุกขึ้นมาระดับไฟมันก็นิพพานเอาไฟนิพพาน ตักอาหารร้อนๆพอรับประทานได้เราก็เรียกว่านิพพานแล้วหรือว่าคนมันเกิดสบายใจเนี่ยก็ เ, เรียกนิพพานแล้วแต่ความหมายของพระพุทธเจ้าก็ใช้ในิยะเนี่ยนิยะคำว่านิพพานเนี่ยมันยังมีร่องรอยอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเราหมายถึงการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทีนี้เมื่อคําคอื่นก็นยังใช้อยู่啊 พระมัจึงมามีแนวของตะทังกั น, นิพานและวิคัมปานิพานแต่การดับกิเลสในแต่ละขณะหรือว่าดับด้วยกำลังของสมาธิเท่าที่เท่าที่จะทำได้ช่วงมันจะยาวหรือจะสั้นยังไงถ้งกำเนิดสีก็คือเกิดในขันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นถ้ายัางอื่นนี้ไม่ใช้คำว่าเกิด แต่ว่าใช้คําอื่นฉันยกว่า ย, ย, ยกตัวอย่างอุปาดาทิติพังคะเนี่ยอุปาทาที่ยิงก็เกิดนะฮะแต่ว่าเกิดอุปาธะเนี่ยมันอาจจะเป็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับไปเรื่อยๆก็ได้จังกระแสไฟเนี่ยมีอุปาทาทิติพังคะขนาดจิตเนี่ยมีอุปาทาทิติพังคะหรือสิ่งทั้งหลายที่มันไหลเนี่ยมีอุปาทาทิติพังคะแต่ท่านจะไม่ใช้คำว่าชาติ เพรามันก็ต้องเราจะเห็นว่าอัฏฐะกับพยัญชนะเนี่ยพยัญชนะอะอย่างนี้จะเน้นอัฏฐอย่างเนี้ยเนื้อหาอย่างนี้หาังถ้าเราเข้าใจโดยอัฏฐะแล้วพยัญชนะเราก็จะไม่ติดใจแต่ทีนี้ถ้าเราใช้สับสนจากที่ทันนิยามมันก็ยุ่งเหมือกันนะยังมีคนผู้หนึ่งที่แปลว่าตัณหาแปลว่าตามันหันนะี คือตันคือหาไม่เจออย่างนี้ก็ยุ่งเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นอะไรมันก็เป็นตันหาหมดคือหลงความหลงความลืมอะไรแต่แรงต่างเป็นปัญหาเป็ น, เ ป, นเป็นตันหาหมดเพราะหาไม่เจอมันก็เป็นตันหาบางทีก็แปลว่าตาหันอะไรเนี่ยมันก็เป็นสำนวนพูดของตัวเองเนะี่ยก็พูดกันได้แต่ว่าอย่าไปอ้างพระพุทธเจ้า ก็ไปก็ต่อไปชราชราเป็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงนั่นเองที่จริงเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะก็แสดงว่าชราเราก็เกิดอยู่ทุกขณะแต่ว่าทา่านจะแบ่งเป็นสอ ง, องช่วงช่วงหนึ่งเขาเรียกชราที่ปกปิดอยู่หมายความเป็นช่วงตั้งแต่เกิดมาแล้วเจริญเติบโตมาจนถึงวัยหนุ่มวัยสาวจนถึงวัยกลางคนเนี่ย ลักษณะของชาลาไม่เด่นแต่พอถึงชรามันเปิดชรามันเปิดท่านจะอธิบายเรื่องผมงอกเรื่องฟันหักเรื่องหนังเขียวหรืออาการทั้งหลายที่ปรากฏของชราเนี่ยหูตาพระมัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าคือชราแม้เวลาปัจจุบันนี้เราจะยักพูดเป็นผู้สูงอายุ ไม่ยอมมันพูดเ อ, อคนแก่พูดเอาผู้สูงอายุไม่ยอมใช้คํำมชารามันก็ชาราความหมายอย่างหนึ่งก็คือความสิ้นไปของอายุเป็นสิ่งที่รู้ได้จากความแก่งงอมของอินทรีย์มีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราจะเห็นว่าตามันก็เสื่อมหูมันก็เสื่อมจมูกมันก็เสื่อมคือประสาสัมผัสเนี่ยจะเสื่อม โดยเฉพาะตาหูลิ้นเองก็อย่างนั้นนหะคือจะให้เหมือนตอนไวนุงไปสาวไม่ได้ก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นความแกงง่งอมของอินทรีย์คือตาหูจมลิกายก็มันเปลี่ยนแปลงก็คือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองทีนี้ในชราเนี่ย บางทีท่านก็เรียกท่านก็เรียกว่าอาวิจิฉราแปลว่าแก่ที่ไม่ร่องไม่มีร่องรอยสวีจิชราแก่ที่มีร่องรอยให้เห็นนี่ก็มันก็ค่ค้ายๆกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยคือเราก็ไม่เห็นอาการแก่ของมันชัดเจน หรือว่าคนที่กลังจะเริ่มเติบโตเนี่ยเราก็ไม่เห็นแก่ชัดเจนที่จริงในหมู่เด็กด้วยกันเธอก็าพูดว่าฉันแก่กว่าเธอเธออ่อนกว่าฉันอะไรนมันก็แสดงว่าแก่เหมือนกันทีนีต้ต่อไปอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจุติจุติหรือจวันนาตาหมายความว่าการตายหรือการเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง แล้วก่นึกฟังรายการอะไรรายการเกมเสร็จฉีเขาบอกว่าพัฒนานุกรมเปลี่ยนคําว่าจุติให้เป็นเกิดให้มันเปลี่ยนได้ยังไงเลยก็โทรไปถามท่านราชบัณฑิตบุยเปลี่ยนก็ได้ไงก็บอกไม่ไม่เคยเปลี่ยนคือจุตินี่คือตายนะฮะไปสนทิคือเกิดแต่มันต่อกัน่ะจุติปั๊บก็ไปสนทิปุ๊บเลย เพราะในความแก่ตลอดถึงความความตายนะฮะความตายความตายเองถ้าก็แบ่งเป็นสองเป็นสามนะจริงก็แบ่งเป็นสามแต่สรุปแล้วว่าสามัญชนเนี่ยก็ถือว่าสมมติมรณนะสมมติว่าตายเพราะไม่เรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดะ คือสมุทเฉตมรณะเนี่ยก็เป็นพระอระหันเลยคือตายจริงตายขาดเลยแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สอนให้เห็นว่าเราตายอยู่ทุกขณะเดียกคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนชีวิตแต่และชีวิตเนี่ยอย่าประมาทเพราะในไงของความจริงเนี่ยชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริง หายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายแล้วเราก็มีข่าวคนตายให้ได้ยินทุกวันบางทีเรื่องไม่น่าตายก็ตายยังเกิดแผ่นดินไหวที่คนตายมากที่ปากีสถานเนี่ยเราก็ไม่กว่ก็ก็จะตายมากขนาดนั้นและในการต่อมาเนี่ยมีข่าว ว่ารัฐมนตรีของปากีสถานเขารู้สึกสำนึกเสียใจที่เขาไปทําลายอะไรของศาสนาพุทธเยอะโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยพระปากีสถานอับการณิสถานพวกนี้มันเป็นดิแนแดนพุทธทั้งนั้นนะแถวนั้นนและโบราณวัตถุโบราณสถานนี่มันเยอะมากอย่างหลวพุทธรูปใหญ่ที่สุดสูงที่สุดมันก็อยู่ที่บาบิยัน เกี่กับนิสานกันดาหฮานี่ก็คือคันธละแคว้นคันธาระที่เป็นเหตุเกิดพระพุทธ ร, รูปยุคแรกอ่ะจ่มีลักษณะคล้ายๆกับเจ้าชายมุ่นประเกษามีปิ่นปักที่ประเมาลีและบางทีก็มีหนวดมีเนคราด้วยเป็นความคิดของพวกกลีกที่สร้างบระุทธ ร, รูปท่านเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ตั้งแต่พูดออกมาเขาก็ไม่เคยสงบ อ, อ, อ่า ก็มีวุ่นวายอย่างนั้เนี่ยคือเขาตั้งใจจะสร้างอะไรเพื่อเป็นขอขมาทโทษก็มีข่าวมาทีหลังแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับถึงก็ไม่จะทำได้ง่ายหรอกเรื่องตัาเนี้ยแต่ว่าก็ที่จริงคนเหล่านี้ไม่ฉลาดนะฮะก็ยังยินดูนี่เขาทนุถนอมมาก มันอาจจะเพราะฮินดูเขาไม่ได้ตัดขาดจากพระพุทธเจ้าเลยเขาอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ตีเรียกว่าพุทธอวตารเป็นอวตารปางที่เก้าเพราะเราจะเห็นว่าฮินดูเองเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าแต่นับถือในฐานะอวตารของพระนารายณ์แต่ว่าเขาจะเน้นที่พระรามเนี่ยมากกว่าเพื่อนนะฮะ คือว่าตามเก้าวปางที่คาเขาเชื่อกันเนี่ยเขาน้อถือพระนารายเนี่ยมากกวเพื่อนโร ล, ลงมาก็เป็นพระกฤิชนะส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยคือถ้าฮินดูแล้วเขาก็ไม่ทำลายเพราะเขาก็ให้ให้ความเคารพนักถือแล้วก็ก็ไหว้ไหว้ได้อย่างสนิทเหมือนกันก็เหมือนกับคนไทยเราไปไหว้เทพเจ้าของฮินดูอ่ะ ปวัยกันสนิทบูชากันบางทีก็มากกว่าพระพุทธรูปซะอีกนะเสร็จบูชาพระพรหมที่ใกล้โรงแรมอะไรอะกล้สแยกลาดประสงค์ก็ยังรียกว่ามากกว่าบูชาพระพุทธรูปเลยทีนี้เราก็กลับมาที่ตายนะฮะว่าตายเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือตามปกติมนุษย์เด็กมจะหมดอายุหมดกรรม คือคือ เ, เทวดาเทวดาไปหมดอายุด้วยหมดกรรมด้วยหมดอาหารด้วยนะฮะแต่ของมนุษย์เนี่ยมันอาหารมันไม่หมดหรอกแต่ว่าหมดอายุกับหมดกรรมกรรมที่เป็นเหตุดำบงชีวิตอยู่เนี่ยมันหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลานี้เราจะเห็นว่าอากาละมรณะที่กาตายในคราวที่ยังไม่ควรตายเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยเยอะ การกระทำก็เราเองบ้างเราประมาทพลาดพรั้งบ้างคนอื่นประมาทพลาดพรั้งบ้างเราไปร่วมอยู่ร่วมกินก็อยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วพอดีสถานที่นั้นเกิดอุบัติเหตุนะเช่นสมมติในช่วงแผ่นดินไหวเราไปอยู่ที่ภูเก็ตริมหา ท, ที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันหรือจะถึงที่ตายหรือไม่ถึงที่ตายก็ไปอยู่ในที่ที่จะต้องตายเลวก็้งตาย อีกหนึ่งเป็นอาการมรณะคือคือการะมรณะคือตายในถึงคราวตายเลยผลกติไทยเราที่เรามีความเชื่อเนี่ยไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาจสรรถึงที่ตายก็ตก้องตายว า, วายชีวันใครไม่ทันทําร้ายก็ตายเองคือเราเชื่อมาในลนักษณะอย่างนี้ มันเราจะจะพบว่าชีวิตกับความตายเนี่ยมันเป็นปกติของมันหรือถ้าเราอย่าไปเดือดร้อนกับันมากเกินไปมันก็ไม่มีอะไรตายก็ตายตายก็เกิดอีกที่จริงก็ในแนวพระพุทธศาสนาเนี่ยม่ชอบเกิดนะครับคือพิเศษเกิดแต่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ถ้าเราไม่ทําลายกิเลสได้หมดเราก็ต้องเกิดอีก ทีนี้ชรามรณะเนี่ยท่านหมายถึงการแตกดับของขันทั้งหลายแล้วก็เวลาพูดเราลองสังเกตนะเช่นเช่นเรากรวดน้ำอุทศิศส่วนกุศลนะปุญญสิดาเนี่ยเป็นพระดิพนของรัชกาลที่สี่รักาลที่สี่เนี่ยท่านท่านจะสรุป สรุปเป็นจตุเอกะอุกาจตุอุกาจตุอุกาปัญจอุกานหมายความวิศีส่วนกุศลให้แก่สัตว์ที่มีขันหน้ามีขันหนึงมีขันสี่จบละหมดละหรือไม่มีอะไรเหลือละเป็นวิธีพูดที่ที่สั้นแล้วก็ง่ายมันก็คล้ายๆกับสบปปะภาษากะระนังเนี่ยการไม่ทำบาปั้งปวงเนี่ยประโยค์มันสั้นมาก แต่ปฏิบัติให้สมบูรณ์นี่ยได้ยากมากๆาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในความตายเนี่ยคือบางบางประเภทเนี่ยมันไม่ทิ้งซากบางประเภทก็ทิ้งซากอย่างมนุษย์อย่างสัตว์ตายมันทิ้งซากแต่ว่าบางพวกเขาไม่ทิ้งซากทีนี้ท่านบอกว่า จีประการหนึ่งเนี่ยเหติขันทั้งหลายในเทวโลกพรหมโลกตั้งแต่ชั้นจตุมาราชิกาเป็นต้นแตกดับไปอย่างเดียวแต่ก็ไ็นทิ้งอะไรไว้ฉะนั้นการแตกดับแห่งขันทั้งหลายเนี่ยพึงทราบว่าสามารถแห่งขันทั้งหลายในเทวโลกและพรหมโลกมิชั้นจตุมหาราชิกาเป็นต้นเหล่านั้นส่วนการทอดทิ้งซากศพไว้มีอยู่ในสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้น การตายดเหตุที่ทอด ท, ทิ้งซากศพเอาไว้ในประเระกกล่าวว่าการทอดทิ้งซากศพพึงทราบอัธทิบายที่ว่าชรลาทั้งเนี่ยมรณะคือมันก็เน้นสอนเป็นสอนสอนพระเนี่ยเน้นสอนพระคือเอากันยาพอาอตรงนั้นทีนี้คำคาว่าชาติหรือชาติความเกิดเนี่ย โดยที่บอกแล้วว่าอธิบายถึงการเกิดในกําเนิดทั้งสี่ทังก็แปลกที่ว่าท่านมาอธิบายชลาก่อนแล้วก็อธิบายมรณะแล้วมาอธิบายเกิดอธิบายเกิดคือการเกิดก็เกิดในกําเนิดต่างๆตัวการสําคัญที่จำแนกแบ่งแยกก็คือกรรม ที่คนเราก็ทำไว้แตกต่างกันก็นทําให้นึกถึงตอนนี้ก็ขอช่วยเขียนความในเรื่องเกี่ยกับพุธรวัติเนี่ยก็จะสร้างเป็นภาพเอามาเขียนข้อความก่อน ก, ก็ต้องคนอ้นคว้าพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันมันห ม, นมนายความว่าคนอ่านแล้วมันเกิดเป็นจินตนาการได้คือเห็นเป็นภาพสามารถสะเก็ดออกมาเป็นภาพได้มันสมุดโบวานภาษามันก็ค่อนข้างจะต้องคิดมากแต่เราก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแสดงถึงความบริบูรณ์สมบูรณ์แห่งบารมี คือพระพุทธจาหรือโพธิสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดมาแล้วก็พูดได้เนี่ยจึงมีสารชาตินะฮะคือชาติที่เป็นพระเวชนดรก็พูดได้ขอเงินแม่เพื่อแจกทานเป็นพระหมอสดก็พูดได้นะเพราะว่าถือยามาอันด้วยคือใครเจ็บไข้อะไรป่วก็ยักษาใหา้แต่ว่าไม่มีการเดินได้ด้วยพระบาทเจดเก้า เพราะ น, นการเดินลดระบาดรักเจ็ดเก้าเนี่ยมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเต็มบริบูรณ์ของบารมีทีนี้พอเราคิดแบบเราคิดเนี่ยมันคิดไม่ออกเพราะมันไม่ใช่เรื่องเรามันเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นก็เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์คือแน่นอนว่าจะได้สัตุแล ชาตินั้นแหละต้องเดินด้วยพระบาทในเจ็ดเก่าคือคือท่านพ น, นาไว้ว่าตอนพระนางสิมายาเป็นสูตรในเทวดารับแล้วก็ส่งให้มาพรหมมาพรหมท่านรู้ท่าก็วางให้พระกุมารยืนบนพื้นก็ยืนได้แต่ว่าคนแต่และคนเห็นเมืองก็ผู้ใหญ่เห็นแบบเดียวนะหเห็นเมืองก็ผู้ใหญ่ เขาบอกว่าเหมือนกับเด็กหนุ่มอายุสิบหกปีคือเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเครื่องประดับแต่ทุกคนเห็นมีเครื่องประดับเป็นการแสดงทั้งบุญญาธิการคือเรื่องเหล่านี้เขาเรียกเป็นนจินไต่คิดไม่ได้คิดเอาพระเจ้าทรงแสดงว่าอาจจะถึงความเป็นคนบ้าได้แต่เป็นระยะสั้น พระวางแล้วก็ประทับยืนยืนหันพระพักไปที่ต่างๆก่อนนะแล้วก้าวเดินไปพอถึงประบาทที่เจ็ดก็เปล่งอาสภิวาจาอะโคหมัสมิโลกัสะเชษดโถหมัสมิโลกัสะเศธโถหมัสมิโลกสะเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีพูดได้เท่านั้นเนี่ยนะแล้วจากนั้นก็ไปพูดได้อีกทีหนึ่งก็ตอนโน้นตอนเจริญพระชนสาขึ้นมาแล้วดังนั้นเวลาเวลาศึกษาก็ต้องค้นหลายจุดด้วยกันหาหลายจุดด้วยกันว่าเออตัวนี้มันจะเป็นต้องอธิบายทีนี้มันมันมีประเด็นหนึ่งที่คือการพูดถึงดอกบัวสีเหลา แต่พอเราไปอ่านที่มหาวัคคือพระวินัยบิดกนะมันพูดถึงดอกบัวสามเหล่าไม่ได้พูดถึงดอกบัวไอ้เหล่าที่เสียเหล่าที่เป็นพักษาของปลาและเต่าเนี่ยมันไม่มีทีนี้ก็มีนักวิชาการเขาพูดในทํามนองวิภาควิจารสมเด็จพระมหาธรรมนะก็พยายามศึกษาดูก็ไปเจอใน สังยุตตินิกายนะในสังยุตตนิกายที่เรียายาจะนสูตรคือประสูตรที่ว่าโดยพระพรหมหสามมรีพรหมกาฐูนราตนนาพระพุทธเจ้าเพื่อให้ประกาศธรรมเนี่ยคืขอข้อความก็จะพิสดารมากกว่าในมาวัชและตรงนี้ยพูดถึงดอกบัสีเหา ก็แสดงมาตอนสำเนจพรามนะทรงเรียบเรียงเนี่ยทรงเอาจากนัยยะในที่ต่างๆพระทัดบดบัวสีเหเนี่ยมันจะสอดคล้องกับบุคคลสี่แต่ถ้าสามเหล่านี่เอ๊มันมันหายไปไหนล่ะประทับอารมามันหายไปไหนแลนั้นก็เอาที่สี่ตามนัยยะของบุคคลสี่เกิดทำให้สอดคล้องกอบบุคคลสี่ดบัวสี ทีนี้ถ้าเราไปอ่านอะไรแคบๆเนี่ยเราก็นึกเอาว่าคนอื่นผิดเราถูกแต่เราก็ลืมไปว่านี่คือปริยายในการสอนธรรมะในการเทศธรรมะคือบางทีเนี่ยมันก็ต้องการพูดเฉพาะท่านนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีเท่านั้นท่านนั้นมันมีมากกว่านั้นก็ได้ ทีนี้ต่อไปเป็นการพูดถึงภพภพเนี่ยจริงโดยสถานะในปฏิจจสมบาทเนี่ยตัวภพภพข้างหลังนะนะที่ว่าปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานปัจจัยเกิดภพภพตัวเนี้ยมันอาจจะหมายถึงสังขารภบพบก็ได้ หมายถึงบุญหมายถึงบาปหมายถึงอรูปฌานก็ได้หมายความ่เหตุที่จะนำไปสู่ภพแต่นในขณะเดียวกันก็หมายถึงที่เกิดที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายก็ได้เป็นธรมปกติเราจะคุ้นกับที่เกิดที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายก็โดยแสดงถึงภพที่มาจากภูมิจิตของคนเหล่านั้น แล้วกลายเป็นภพสามคือกามมาภพที่ภูมิจิตเขา อ, อยู่ระดับกามมาวัาจะรอภูมิเพราะนั้นถจะเกิดในกามในกามมาภพภพที่ยังเสพกามอย่างนี้ยังเกี่ยวข้องกับกามเ่มันก็มีแล้วก็คืออบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกแต่เวลาจัดเป็นคติเนี่ยมนุษย์จะจัดเป็นสุกตินะฮะอบายสี่จะเป็นทุกติ พพบสี่ภูมิสี่แต่ว่าคติเป็นห้าพบเป็นสามวิญญาณทิฏฐิเป็นเจ็ดเราสัตววาก9าวอย่าลืมมาเรื่องเหล่านี้ที่จริงเป็นเป็นปัจจัยของกันอะไรกันเป็นวิธีการในการจำแนกว่าทำไมเวลาพูดวิญญาณพูดแค่เจ็ดเวลาพูดถึงที่อยู่พูดก้าเวลาพูดโดยพบ โคแค่สามเวลาพูดทุ้งภูมิทำไพูดสี่ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละอย่างเนี่ยท่านก็อถธิบายก็ต้องอารอธิบายเพราะฉนั้นพบท่านก็จำแนกเอาไว้โดยกล่าวถึงในแง่ของความเป็นจริงมันก็เป็นผลน่ยนะฮะถ้าถ้าเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดที่อยู่ ท่านบอกว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขการสมบ่าเป็นเหตุนมาซึ่งทุกข์เพราะกรรมาภพนั้นเป็นเหตุแห่งอุปาติพภพเพากรรมภพรูปรอาภพเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปาติภพเพื่อต้อ ง, งการจะเน้นเวลาต้องการจะเน้นเนี่ยท่านจะบอกถ้าพุดถึงกรรมท่านเรียกว่ากรรมาภพ ถ้าพูดถึงสถานที่ที่สัตว์ไปเกิดเนี่ยแล้วก็อยู่ที่นั้นก็เรียกว่าอุปัติพพเพื่อเกิดเกิดความจัดเย็นขึ้นแต่ทีเนี้ยบางครั้งเนี่ยวันก่อนไปเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคารวาาได้กเก่งเนี่ยเขาไม่เคยบวชมันไม่ถึงกับวิทยานิพนธ์นสารานิพน์ เราก็ทดลองไงเขาอธิบายเรื่องกรรมตัว่าเขาเขียนที่กรรมก็สังสารวัฏเขาอธิบายก็ก็ก็ไม่เกิดคราะห์เลยก็อธิบายให้แล้วให้เขาไปคิดต่อคือเราจะเห็นว่าพวกเนี้พวกพวกบางเรื่องเนี่ยจะมีการพูดว่า กรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงว่าจะพุทธภาษิตพระพุทธโภสาจารย์เขียนขึ้นตีหลังมันก็พูดพูดได้แต่เราเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยท่านมีคุณอุปการต่อคนรุ่นหลังมากถ้าว่าท่านไม่ช่วยจำแนกแบ่งแยกเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจทีนี้พอเราเรียนกรรมสิบสองเนี่ยก็เราจะเห็นว่าประโยชน์สั้นๆเนี่ยเช่นสมมติว่า บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นอันนี้มันมาอธิบายกรรมดีสองได้แล้วสำคัญที่ประโยคนี้มีแค่บรรทัดเดียวแต่วอธิบายในกรรมดีสองได้แล้วเพราะในในความหมายของคำมาพบเนี่ยเราเจ็นว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมมพบถ้ากรรมหยาบพบมันก็หยาบ กรรมละเอียดพบมันก็ละเอียดพูดง่ายๆว่าถ้าบาปมากเนี่ยพบมันก็หยาบถ้าบุญมากพบมันก็ละเอียดแต่บาปก็ยังอยู่นะฮะบาปไม่ได้หมดเพราะถ้าพบเนี่ยบาทไปหมดคนได้ละ บ, บุญละบาปได้มีเฉพาะปาระหันเท่านั้นพระตัท้าจึงบอกว่า ขันธตะบันตกที่ตัณหาและทิฏฐิยึดครองแล้วคือขันธ์ห้านี่ยขันธ์หน้าที่เรารู้สึกว่าตัณหายึดครองที่บ่าของเราของเราอ่ะแล้วก็ทิฏฐิยึดครองอ่ะเราเป็นเป็นเป็นตัวตนของเราที่เราเรียกรวมๆอีกทีหนึ่งว่าตัณหาอนัตทิฏฐิท่านก็เรียกว่าขันธะบันจกอันตัณหาและทิฏฐิยึดครองแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยกรรมชื่อว่าอุปาติภพ เพราะอะไรเพราะตัณหากระธิธิมันเป็นกิเลสแล้วกกรรมมันก็คือกรรมทั้นก็เมรุวิชาเป็นปัจเจกสังขาระนะั่นแหละแต่ว่าตัวนุนทันทีานอาวิชาตัวนี้ท่านเรียตัณหาธิติก็แล้วแต่จะเรียกเรียกกิเลสก็แล้วกันคือตัห ง, งาไอไ อ, อาวิชามันเป็นตัวกิเลสใหญ่ทีนี้ท่านบอกว่าที่บังเกิดหรือที่ปฏิสนธิ ไปจุติในที่นั้นดังจึงกลายเป็นกรรมมาพบกับรูป่ไอ้ไม่ใช่กรรมมาพบกับอุปติพพกา ร, รมาพบแม้โดยประการทั้งปวงเนี่ยก็เป็นที่เกิดของคนซึ่งปฏิบาปมันกรงแร ง, แรงกรสรุปว่าก็มีสิบเอ็ดนะมีอบสี่มนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์หก นี้พวกการมเหล่าเนี้ยมันมันจะทําให้พูดง่ายว่าภูมิจิตประณีตพบที่จิตไปอุบัติก็ประณีตแต่สิ่งที่ทําให้ภูมิจิตประณีตเนีย่ยคือกิเลสมันมันมันต้องลดนะฮะแล้วก็บุญมันต้องเพิ่มความดีมันต้องเพิ่มเพราะนั้นจิตมันจะประณีตแต่เดี๋ยวก็พูดเรื่องเดียวกันแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็นมาพูดถึงอุปท า, าน อุปท า, านก็คือการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายตรง น, นี้เราจะพบบ่อยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดท้ายไปสูตรเนี่ยมันจะเจอด้วยแหละอุปท า, านเนี่ยจิตดุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นห น, นูอุปาทานอุปาทานตามปกติแล้วก็จะมีสีนะครก็คือโรคปวดหลงนั่นแหละแต่ว่าใช้ด้ยภาษาอย่างหนึ่ง กามุปาทานถือมั่นด้วยอำนาจความใครในสิ่งที่ตัวเองใครหมายความว่ามีอยู่สองอย่างภายในใจเรามีกิเลสคือมีกรมมาธาตุมีการมมตัญหามีการมสังกปะมีการมมาปริเยสนาอะไรแต่และก็กระบวนการของเขได้มีเยอะนะก็สรุปว่ามีการมมาธาตุอยู่ทีนี้เมื่อมีการมมาธาตุอยู่แล้วก็ เกิดกำหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยความพอใจหมายความพอสัมผัสอารมณ์เนี่ยอยใจมันมีเชื้อหน้ามีมีเชื้ออมประทานอยู่มีการมุปาทานอยู่มันก็พอใจอะ่ะถ้าเกิดพอใจก็กลายเป็นกรมมาธาตุถ้าไม่พอใจก็เป็นพยาบาทธาตุแต่กรรมมาธาตุพยาบาทธาตุเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ภายในแหละเพราะแกก็รับเชื้อจากข้างนอกและในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นไนดะ้อย่างชัดเจนว่า สังคมได้บางทีเนี่ยก็ถือเป็นการยัดเยียดเลยตัววัตถุกรามเนี่ยปรนปลือกันจนเรียกว่าบางทีสำลักไปเลยเพราะกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยแกคิดแ ต, แต่เรื่องที่แกจะได้มันก่อนได้ฟังอะไรรายการเขาดูดสายรู้สึกจะที่อะไรบุรีรัมเรื่อรเนี่ยเป็นแม่น้ำนะ แล้วก็ถ่ายภาพไปดูคลค่ะก็ดูที่แถวยุติยาเนะี่ยคือพวกนี้ก็เล่นเด่นก็ฉลาดแกมโกงนะฮะคือคนมันโลภโลโภโอธรรมนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายอยังทันทั้งหลายคือตัวเองก็ดูข้างล่างนะฮะแต่มันลึกเข้าไปเป็นเวิ้งเข้าไปข้างในอะถึงจุดหนึ่งเนี่ย ดินก็พังโคร ม, มมาเอาก็กลายเป็นแม่น้ําตัวเองก็ดูได้ละมันขโมยกันต้องๆ น, นะนะแต่บ้านเมืองเราบางทีเมืองก็บร้ายคือแปคือเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะปล่อยปละล ะ, ละเลยกันขนาดนั้นเ พ, พราะอะไรเพราะผู้ใหญ่บ้านก็อยู่กำนันก็อยู่อบอตอก็อยู่ในอำเภอก็อยู่คนอยู่เยอะอนะไรแถวนั้นมันก็รู้เห็นกันอยู่ทำไมไม่เคยรับผิดชอบ คือกรอกกรอกข่าวข่าว ง, งานเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีปัญหาที่ร้องเรียนกันจุบ่อยเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันพอเกิด อ, อยากมันก็ยึดยึดเดิกหน้าของความอยากทีนี้ถ้าถามมันอยากเพราะอะไรอยากเพราะใจเราชอบทําไมทําไมใจมันชอบอะเพราะเรากําหนดว่ามันมันน่าใคร่มันน่าปรารถนามันน่าพอใจ ทําทำ ใ, ใจต้องไปกําหนดอย่างนั้นนะเพราะว่าภายในใจมันมีเชื้อกลางกรมธาตุคือภาในใจเราเนี่ยก็ได้มีกรมธาตุมีกรมธาตุคือเชื้อของความใคร่แล้วมันมีการสัญญาคือกําหนดไอ้สิ่งเหล่านั้นน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจนี่ก็เระบวนการทางจิตทีนี้พอพอกําหนดอย่างนั้นมันก็เก็บไปจิตจะทำหน้าที่เก็บเอาไว้ก็สะสมไว้ เรื่องสัญญาน่ย ค, คือจําไว้แต่มาถึงจุดหนึ่งเราก็เกิดความพอใจความพอใจมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็คิดเขาเรียกว่ากรรมสังกัดปะตอนพอใจในเรื่อการมฉันทะตอนคิดถึงคิดคิดคิดคิดคิดเนี่ยเรื่อการมสังกัดปะพอคิดขึ้นเมืนใจมันร้อ น, อนด้แรงปรารถนาเขาเรียกกรรมมะปริลาหะคือความเร่าร้อนด้วยความใคร่ในสิ่งที่ตัวเองใคร่ พอราอนร้อนมากเข้ามามันก็อยู่ไม่ติดละมันก็ต้องกามาปรเรยนสนาคือแสวงหาเพื่อตอบสนองความใครายของตัวเองทีมการการเสรีติดแการเสรีติดอย่างคนข้าบาข้าผับข้าอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็นึกไม่ออกอะว่าข้าไปทํำอะไรเสียเวลาอยากกินข้าวก็กินกินข้าวที่บ้านก็ได้กินให้อิม่ม แต่ว่าสังคมโลกเนี่ยมันถูกยั่วยวนมากแล้วในที่สุดมันก็เป็นปัญหาอย่างเมื่อก่อนที่เขาพูดอะไรคาราโอเกะหรือตู้เกมอะไรนะคือเขาอธิบายเป็นตุเป็นตะเลยเขาอธิบายเนี่ยเขาถูกเขาบริสุทธิ์หมดจดเลยเขาเป็นสัมมาชีบทสุดๆเลยแต่เขาไม่นึกว่าเขาทําลายสังคมย่อยยับไปเลย ลูกหลานเตลิดเข้าป่าเข้ารกเข้าพงหายไปเลยแล้วมันเป็นปัญหายาวนะปัญหาเราเนี่ยมันไม่จะวันสองวันแล้วเกิดขึ้นจากคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนแล้วสุดมันกลายเป็นผ่ารัการัของสังคมคนมีอาการทางจิตประสาทมีอะไรบ้าหัรลอยจมพวกเนี่ยเคยเคยศึกษาแต่อ่านไม่ครบเราไม่ไหวคือหนังสือสองเล่มนะันเล่มเบลลมน่ะก็อธิบาย เรื่องบาฮาลอยจำพวกเราศึกษาปไยก็เออคือพอมองธรรมะแลยมันมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติทีุ่อะบ้างมีอะไรเลยนอกจะกิเลสแต่ว่าทางแพทย์เขาก็พูดอะไรไปเยอะนะฮะแต่เราก็เห็นแล้วมันไม่มีอะไรอะตัวกรจรัจริงๆก็คือกิเลสที่เรากํากับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ ท, ทีนี้พวกกรรมามมปัฏานเนี่ยมันเป็นชื่อของราคะด้วยชื่อของกามด้วยแล้วก็ชื่อของโลภะด้วยนะฮะคือหมายความว่าลักษณะจิตที่คอยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นต่างๆพอถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นกา ร, รมปราาัฏานเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองจะตัณหามันก็มาจากทางทางมางกามตัณหาทางทางทางจ้าภวะตัณหา ทีนี้ทิฏฐุปาทานเนี่ยหือถ้าเน้นเฉพาะสองข้อนะฮะเอ่ออาจารย์เคเน้นทั้งทั้งทั้งทั้งทัสี่ข้อนะ่ะทิฏฐุปาทานเนี่ยทิฏฐินั้นเป็นอุปาทานเพราะอันจึงเชื้อเรียกว่าทิฏฐุปาทานเป็นกิเลสที่ยึดมั่นถือมั่น หรือว่าเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนถึงยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในธรมันในชีโวในปรมาตมันในอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้แต่ไปยึดมั่นถือมั่นในพระเจ้าที่มีชื่อต่างๆที่จริงมันไม่มีอะไรมันที่ถูกประทานที่สร้างขึ้นจนเป็นตัวตนนะเป็นตัวตนแล้วไม่กล้าคิดอะ เพราะพวกนี้จะถูกครอบงำด้วยความกลัวไม่กล้าคิดไม่กล้วาวิพากวิจารณ์ซึ่งเหมือนกันหลักพุทสนาหลักพุทสนาเอปิปฏติโกเลยเชิญชวนยัชวนมา ค, คุณคุณพิสูจน์ทดสอบคุณอย่าเชื่อเลยนะคุณพิสูจน์ทดสอบดูลุ้นเส ก, ก่อ น, นสติจะต้องใช้ในทุกกรณีจริงไหมฮิวตะปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกได้จริง เมตตาไปทำค้ำยุนโลกได้จริงไหมเราคิดดูสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาก็ได้สูมว่าคนอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีริโอตปาจะต้องมีคนกำกับควบคุมไหมบุคคลเหล่านั้นเมื่อแต่ละคนก็มีริโอตปะอยู่ภายในใจขขานี่พวะศานานี่จะสอนให้เราคิดเพราะฉะนั้นทิฏฐิมันก็เปลี่ยนเป็นธรรมะทิฏฐิได้ เพราะจริงๆทิฏฐิเนี่ยมันเป็นกลางกลางแต่ในกรณี น, นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐินะในกรณี น, นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าต้องการเด่นชัดเนี่ยท่านจะบอกเป็นสัมมาถถทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าให้สมบูรณ์เรทิฏฐิสัมปันโนสมบูรณ์ในทิฏฐิก็นับตั้งแต่ปัจจุบันขึ้นไปปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การขัดแย้งนําไปสู่การต่อสู้นําไปสู่ปัญหาต่งตางๆอีกเป็นนั้นมาก ทุกฝั่งตลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูย์ในธรรมจะมีแ่ท่านทุกฝั่งต่างหลายด้วยทุ ก, กันสวัสดี